วันนี้ประมาณ9โมง10โมงพวกโยมพวกกลุ่มเขาว่กกระจก6ด้านช่องที่ช่องที่7รือช่องที่11นะน ะ, ะ, ะช่อง7จ็ดอ่ะช่อง7เขามาทำ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 เหล็กก็แพงขึ้นเกินเท่าตัวทุกวันนี้ถ้าจะสร้างเป็นทําขนาดที่เราสร้างเนี่ยคงร้อยล้านคงจะไม่ได้มั่งหลงพ่อว่านะ่ะอะไรสมัยนั้นหลวงตาท่านเมตตเมตตาเป็นทุนของหลวงตาทั้งหมดจากนั้นก็เรามาขุดจ่าน้ําอีกได้หลายลูกหลวงตาเอาทุนให้เพื่อขุดจ่าน้ํา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 ท่านก็ได้นั่นะใครก็เป็นที่ยอมรับว่าหลวงปู่องค์ท่านได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพะระอรหันต์ง่ายๆนี่แหละอันนี้ก็คือการบาเพ็ญของพวกเราไม่ใช่ว่าเกิดมาพบนี้ชาตินี้ชาติเดียวไม่ใช่นะแต่ถึงยังไงก็เถิดทให้พ้นในชาตินี้ชาติต่อไปแต่ถึงยังไงออกพ้นชาตินี้แะดีที่สุด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 ชั่แหล่หนังของเราเนี่ยกองไว้อจากนั้น เ, นเอาเนื้อกองไว้เอาตับปอดไตลำไส้กองไว้เป็นกองๆสามสิบสองกองกองว่าร่างกายมีอยู่อาการสามสิบสองนะเราเอาสำลีออกมาสามสิบสองกองเออพอมากองเสร็จแล้วเราก็ดูเลยนะอันนี้ก่อนที่เราจะทําอย่างนั้นได้ให้จิตใจของเราเป็นสมาธิก่อนนะ เป็นสมาธิพอสมควรถ้าว่าจิตใจไม่เป็นสมาธิเนี่ยพอพิจารณาไปก็ตกๆลนๆ ห, หายๆ ห, หลุดๆไปอย่างนั้นอ่ะอันนั้นไม่ค่อยดีถ้าจิตใจของเราเป็นสมาธิดีเสร็จแล้วก็ น, นำมาพิจารณาจัดเป็นกอง ๆ, ๆ, ๆองๆองๆองเสร็จแล้วแต่อันไหนเป็นผมผมเป็นของเราใช่ไหมถามใจลเลยเถิถามใจคือตัวผู้รู้อยู่นี่แหล ะ, เ, ะเมื่อจาแล้ว